สอบสวนอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้จักรูปเนี่ยละกิเลสอะไรละสากายะทิฐิและทิฏฐิที่มีไม่มีเหตุและมีเหตุไม่สม่ำเสมอถ้ารู้เหตุเกิดของรูปละกิเลสอะไรถ้ารู้ว่านี่รูปเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยละกิเลสอะไรละอุเฉ ท, ททิฐิถ้าเห็นว่าเมื่อปัจจัยเหล่านี้หมดรูปหมดละอะไรละสัสตทิฐิ คือแต่ละอย่างไม่ได้ยืนยงคงทนถาวรอะไรอยู่ตามอำนาจของปัจจัยเท่านั้นเองเมื่อปัจจัย น, นั้นหมดสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดหมดไปตามปัจจัยอันนี้เป็นละ ส, ะสะตัตตตถิฐิปถ้ารู้เหตุเกิดเนี่ยนะเป็นสัจจะอะไรรู้เหตุเกิดนี่เป็นสัจจะอะไรเหตุเกิดนี่แปลเป็นบาลีว่าสมูไทยสมูไทยถ้ารู้ความดับนี่เป็นสัจจะอะไร นิโรธสัตวนิโรธสัตว์ข้อปฏิบัติเพื่อละสมุทัยกําหนดรู้ทุกทํานิโรธให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่มีสุขโสมนัสอยู่นะสัตว์จะไม่ติดแน่นอนถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่ให้สุขโสมนัสสัตว์จะไม่ติดอย่างแน่นอนพผนใครที่สามารถให้สุขโสมนัสได้อันนั้นจะเรื่องงานเรื่องนั้นจะขายดีที่สุดเลยถ้าสามารถทําให้สัตว์ได้สุขโสมนัสนะ วัตถุใดที่ให้สุกโสมมณัตสูงของสิ่งนั้นราคาแพงถ้าสิ่งไหนให้สุกโสมมนัสน้อยที่สุดอันนั้นไม่มีค่าเลยสิ่งนั้นจะไม่มีค่าเพราะค่าของสิ่งทั้งหลายส่วนใหญ่วัดกันที่ตันหานะตันหาเกิดกับสิ่งใดมากอันนั้นราคาดีนะการละส ก, กายัทิถีนี่นะก็ก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่า ละทิฐิอุเฉทิฐิและสัจตทิฐิเพราะ<อ>ว่าตัวสกายทิฏฐิก็เป็นอยู่แล้วละทิฐิแบบสามัญธรรมดาเฉพาะตัวใกล้ใลแต่ว่าไอ้สัจตทิฏฐิเนี่ยนะมันแบบมันมองกว้างอะ่ะมันมองลักษณะมุมกว้างแหละเพราะว่าก่อนที่จะเห็นเหตุเกิดที่จะเรียกว่าละสัจตทิฐิเนี่ยนะเพราะมันมองไกลไม่ได้มองแค่ชาติเดียวเห็นไนหะเพราะว่าผู้ที่จะเห็นเหตุเกิดจริงๆเนี่ยนะคนนั้นจะต้อง พิจารณาค่าควรทั้งหมดเลยยกตัวอย่างมาเช่นเขารู้ว่านี้รูปเกิดจากสมุทฐานเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ารูปเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปณะี๊ยบใกล้ไกลรูปแต่ละอย่างเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหรือว่ารูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดา รูปในอดีตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปในอนาคตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปภายในก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปภายนอกก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปหยาบก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปละเอียดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปซาม ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปะละเอียดหรือปนีตเนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดารูปไกลหรือรูปใกล้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั้นอริยาสาวกเมื่อตามเห็นอย่างนี้ <c oughs> <g. S 1> ก็จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในรูปทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้คําว่าอดีตอนาคตนี่มีกี่อย่างอดีตอดีตตาธาอตีตะสมัยอตีตะสันติและอตีตะขณะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการวิเคราะห์ไคร่ครวนทั้งหมดเลยเพราะถ้าหากว่าไม่วิเคราะห์ไคร่ครวนเนี่ยนะอย่าลืมว่าไม่มีรูปอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโธมนัตและอุปาญาตนะนะแม้แต่รูปในอดีตเนี่ยนะถ้าไม่เอารูปในอดีตมาพิจรนารณานะรูปในอดีตเนี่ยก่อให้เกิดทุกโธมนัตและอุปาญาตเชื่อไหมเพราะอะไรอย่างเช่นชีวิตของเราเมื่อหลายๆปีก่อนไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องบางเรื่องไว้กับสิ่งบางสิ่งไว้นะอารมณ์นั้นไม่ได้รับพิจารณาแล้วอยู่ๆ อ, อารมณ์นั้นพุ่งขึ้นมาเฉยๆ อ, อย่างนั้นแหละนั่นแหละเราจะเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าใครครวญอารมณ์เหล่านั้นในอดีตไว้ทั้งหมดนะถึงอารมณ์นั้นได้ปัจจัยเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมานัตแล้วแต่ถ้าอารมณ์ในอดีตไม่ใครครวญให้ละเอียดเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นก่อให้เกิดทุกขโทมนัตแล อุปายาเช่นเพื่อนเก่าเหตุการณ์เก่าๆคนเคยรู้จักการสถานที่เคยไปเคยเที่ยวเคยกินสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดทุกโทมนัดถามว่าใครไม่เคยไปทําอะไรแล้วมาวิปปิสาณในภายหลังมีไหมหายากนะเว้นแต่พระโสราบานันท่านไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนใจในภายหลังส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เป็นเหตุให้เกี่ยวข้องให้เดือดร้อนใจในภายหลังล่ะ มีอะไรพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมไม่มีเพราะฉะนั้นในอดีตต้องไคร่ครวนเพราะฉะนั้นถ้ารู้อดีตก็แสดงว่าอนาคตจะต่างจากอดีตไหมเป็นที่น่าสังเกตว่าการพิจารณาธรรมะตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นอะ่ะท่านให้พิจารณาสิ่งที่เป็นอดีตก่อนนะอดีตะแล้วก็ยางถึงอนาคตแล้วจึงมองปัจจุบันมาตามหลัง เพราไรถ้าเราเอาเน้นปัจจุบันเลยนะเราจะไม่มองเห็นความจริงยกตัวอย่างนะเราเกี่ยวข้องกับคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะเราจะคิดถึงเรื่องในอดีตของเขาก่อนว่าเขาคือใครมายังไงแล้วงานที่จะเกี่ยวข้องกันในอานาคตเนี่ยคืองานอะไรแล้วจึงค่อยคุยงานปัจจุบันเป็นลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นให้มองอดีตอ น, นาคตแล้วก็จึงปัจจุบันเนีย่ยนะไม่ได้เอาปัจจุบันขึ้นก่อนแล้วสาว พุทธพจน์นี่เป็นอย่างนั้นนะเราสังเกตดูนะตามลำดับของพุทธพจ น, น, น์เพราะว่าถ้าเรามองอดีตได้อย่างเข้าใจเพราะว่ามันเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วแล้วที่จะเป็นในอนาคตต่อไปจึงจะมองปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะพิจารณาแต่เรื่องอดีตกับอนาคตมากพระองค์บอกว่าให้พิจารณาปัจจุบันต่อไปด้วย เนี่ยนะคือท่านไม่ลงปัจจุบันสัทีนึงมัวแต่อยู่กับอดีตกับอนาคตเนี่ยในสังขารในขันธวารวักเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่พิจารณาอดีตกับอนาคตเนี่ยมากเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้สอนให้พิจารณาปัจจุบันแต่เขาพิจารณาอดีตอยู่แล้วไม่ได้ห้ามมาไม่ให้พิจารณาอดีตอนาคตแต่มาเสริมปัจจุบันแล้วให้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนับในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน มีที่สูตรที่ท่านกล่าวว่าท่านชนะสูตรที่ว่าพอพิจารณาแล้วเกิดมีความสะดุ้งกลัวนั่นสาเหตุเนื่องจากว่าพิจารณาเฉพาะแต่อนิจังกับอ น, นุตาขาดทุกใช่ไหมฮะ เ, เดี๋ย ว, ยวคือพระพิสูุนเนี่ยจะสอนพระช น, นะเนี่ยนะสอนแค่ลักษณะสองคือ อันนี้จะลักษณะกับอนัตตลักษณะไม่บอกถึงทุกคลักษณะด้วยอ้าวถามว่าทําไมเพราะเหตุ น, นั้นเพราะได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ถ้าว่าเราเมื่อเราทั้งหลายบัญญัติทุกคลักษณะฉันนาภิกษุรูปนี้นะจะพึงฟั่นเฟือไปว่ารูปเป็นทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกอา้าวมักก็เป็นทุกพ้นก็เป็นทุกขดังนั้นท่านทั้งหลายชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ตกในทุกด้วยโอ้ทุกนนอย่างนั่นแหละงั้นน่ย เราทั้งหลายจักไม่บอกไม่ให้เป็นโทษแก่เธอโดยประการที่เธอไม่สามารถจะยึดถือฟั่นเฟือได้ที่สูรนั้นจึงบอกรักษณะสองเท่านั้นสัพเพสังขาร า, านิจจาสัพเพธรรมานาตาเลยไม่ใช่บอกสัพเพสังขาราทุกขาไม่บอกอ่าบทว่าปัจจุทาวัตติมานสังอะะโกเจรหิเมอตาความว่าใจของผมหมุนกลับอย่างนี้ว่า ถ้าว่าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไม่มีแม้ขันเดียวที่เป็นอัตตาไซก็แล้วอะไรเล่าเป็นอัตตาของเราเออแล้วอะไรมันเป็นอัตตาได้ยินว่าพระเทระนี้เริ่มเจริญวิปัสสนาโดยไม่กําหนดปัจจัยเลยวิปัสสนาที่หย่อนกําลังของท่านนั้นจึงไม่สามารถกําจัด ก, การยึดถืออัตตาได้เพราะไม่รู้ปัจจัยก็เลยยินดียึดติดในอัตตานะ ครั้นเมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏโดยความเป็นของว่างเปล่าจึงกลับเป็นปัจจัยให้เกิดอุดเฉททิฏฐิตอนนั้นอุดเฉททิฏฐิท่านเกิดขึ้นและสะดุ้งว่าเราจะขาดศูนย์เราจักพินนอดและท่านก็เห็นอัตตาเหมือนตกลงไปในเหวจึงกล่าวว่าความสะดุ้งและอุปาทานเกิดขึ้นใจของผมจึงหมุนกลับอย่างนี้ว่าแล้วอะไรเล่าเป็นอัตตาของเรา น, นะแต่ว่าเอ้เราก็ไม่ยังไม่เห็นอริยสัจ น, นะเพรา ะ, ะนั้นเรื่องปัจจัยนั้นมีความสําคัญมาก แต่ว่าตอนหลังพระนนก็แสดงเรื่องปัจจัยให้ท่านฟังแสดงปฏิจจสมุปบาทให้ฟังง่ใ น, นในสัตตฐานสูรเนี่ยกล่าวอีกต่อไปว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็เวทนาเป็นไนะเวทนาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัส เวทนาเกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเวทนาเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเนี่ยนะเวทนาเกิดขึ้นแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดแต่มโนสัมผัสดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแหง่งผัสสะเนี่ยนะ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูความพิสูนทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนา ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอัศธาหรือคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้แลว้วปฏิบัติเพื่อเบือเ่อน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาเนี่ยนะก็คือเจริญอนุปัสนาใช่ไหมเบื่อหน่าย น, นี้เป็นชื่อของนิพิทาคลายกำหนัดเป็นชื่อของวิราคาความดับเป็นชื่อของนิโรธาเนี่ยนะเจริญอนุปัสนา7เนี่ยนะ เพื่อดับเพื่อดับเวทนาบางอย่าเถิดถ้าหากว่านิพพานุปัสสนจะบริบูรณ์ได้เพราะอาศัยอะไรอาศัยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาเมื่ออนุปัสสนาสามนี้บริบูรณ์นิพพานุปัสสนจึงจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาและนิพพานุปัสสน นุปัสนาบริบูรณ์เนี่ยนะสอย่างบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะวิราคานุปัสนาจึงจะเกิดขึ้นได้เมื่ออนิจจานุปัสนาทุคานุปัสนานัตตานุปัสนานิพพิทานุปัสนานิปวิราคานุปัสนาบริบูรณ์แล้ว่นิโรธานุปัสนาจึงจะบริบูรณ์ได้เมื่ออนิจจานุปัสนาทุคานุปัสนานัตตานุปัสนานิพพิธานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาบริบูรณ์ ปตินิสักานุปัสนาจึงจะ บ, บริบูรณ์ได้เพรมะะันก็เจริญอนุปัสนาเจ็เหล่านี้เนี่ยนะในรูปเหมือนนเถอะในเวทนาสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นปฏิบัติ ด, ดีแล้วเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้นะถ้าปฏิบัติตามอนุปัสนาแบบนี้ชื่อว่าปฏิบัติอย่างลงในาศาสนานี้ ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาอัสาธาแห่งเวทนาอาทีนวะแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับและเพราะไม่ถือมั่นในเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจสมณะหรือพรามเหล่าใดเสร็กิจสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกเห็นไหมสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยไม่มีวัตตะอีกแล้วกรรมวัตก็สิ้นไปเพราะไม่มีกิเลสวัตรเมื่อกรรมวัตไม่มีวิปากวัตรจักมีแต่ที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตัดวัตตะสิ้นวัตตะแล้ว ที่ท่านกล่าวเว้นเว้ไว้สองข้อสามข้อนะในเวทนาเนี่ยหมายความเหมือนกันเปียกเลยใช่ไครับตัวไหนเช่นเึ่งสุขสมนัดใดที่อาศัยเวทนาเกิดนั้นเป็นอาสาทะก็ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมฮะเจนพานคือเวทนาอาศัยเวทนาให้เกิดสุขสมนัดได้อเวทนาใดไม่เที่ยงใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นโทษของเวทนาโทษของเวทนาแล้วก็การละกันจัดชั้นธรานาในเวทนา ก็ยังพอมองเห็นนะแต่พอมาในสัญญานึกไม่ค่อยออกครับว่าตัวเองเนี่ยเคยมีชันทราคาในสัญญาอย่างไงบ้างและเคยไอ้ทุกไอ้โทษกับคุณก็ยังพอเห็นนะสัญญานะครับแต่ว่าชันทราคาในสัญญาของเราเองยังไม่ค่อยเคยเคยจำแม่นแมแล้วก็ได้รับความปรับลื้มใจเพราะความจำเหล่านั้นนั้น สามารถแยกแยะอะไรได้อย่างเข้าด้วยความจำที่แม่นยำเนี่ยนะกําหนดจดจําอะไรและแม่นยำและปราบเพิ่มใจมากพวกนี้แหละก่อให้เกิดความสุขสมนัดเนี่ยนะในสัญญาเอาละครับสัญญางั้นอพอจะรับได้สังขารนะครับเจตนาเนี่ยครับแต่ว่าสังขารเนี่ยที่จริงแล้วสังขารทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ท่านยกเจตนาขึ้นเป็นหลัก เพราะความที่เราเจตนาดีนะมีเจตนาหวังดีต่อสัตว์เนี่ยเจตนาศีลอยางงี้ยเจตนาศีลที่รักษาเคยก่อให้เกิดสุขสมานัทไหมฉันทราคะอา ศ, าศาัยศีลได้ไหมศีนได้แก่เจตนาใช่ไหมเจตนาเป็นศีนฉันเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยก่อให้เกิดฉันทราคะได้ไหมเช่นอาศัยอาศัยเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยนะทำให้เกิดสุขสมนัทอย่างน้อยสวรรค์เนี่ยสบายๆเนี่ยใช่ไหม อันนั้นก็นับว่าสุขสมนะที่เกิดจากเจตนาก็ในเจตนาที่ว่านี่มันได้พูดอย่างนั้นนะครับท่านลองอ่านเจตนาเหมือนที่ครับอ๋อก็คืออย่างนี้นะเจตนามี6กรูปประสันเจตนาสัทธาสันเจตนาคันทะสันเจตนารสาสันเจตนาโพธภาสันเจตนาและธรรมะสันเจตนาสรุปแล้วเจตนาที่มีอารมณ์ทั้ง6 เจตนานี้ก็มาแบ่งประเภทอีกใช่ไหมเจตนาในอารมณ์6ก็มาแบ่งเป็นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาเจตนาล่วงออกมาทางกายโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่าเจตนาเรียกว่ากายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารก็อันเดียวกันทั้งหมดเลยสังขารก็มาแบ่งเป็นกายะสังขารที่เป็นบุญก็มีเป็นอบุญก็มีวจีสังขารที่เป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารก็มีจิตตสังขารหรือมโนสังขารนี่ยนะ ที่เป็นบุญก็มีอาบุญก็มีที่เป็นอาเนชะก็มีทีนี้ที่เป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยนะก็เป็นไปกระทานศีลและภาวนาที่เป็นปุญญาพิสังขารเนี่ยนะนนก็ขยายไปตามนั้นจากรายละเอียดส่วนย่อยนู่นก น, นะก็แ <obile S 1> สดงว่าถ้าจะตึกกันจริง ๆ, งๆนี่มันเรื่องมันเยอะจริงๆเรื่องเดียวที่จริงนะถ้ารู้แล้วเรื่องเดียวหมดเลยที <shin> ่จริงธรรมะนะเรียนไปอีกเท่าไหร่ก็เรียนเรื่องเดียวแต่ว่าทํายังไงจะมองเรื่องเดียวนี่ให้มันอยู่ใน มองออกทั้งหมดว่างั้นเถอะที่จริงแล้วเรียนธรรมะก็ไม่เหมือนกับเอาแผนที่ประเทศไทยมาเรียนอะมองกลับไปกลับมาอีกคนละมุมมองขีดถนนซอกซอยหมู่บ้านนี้จากบ้านนั้นเชื่อมก็เรียนอยู่เท่านี้แหละจนกว่าจะแจ่มแจ้งทันทีเลยนะอย่างถึงชีวิตจริงๆแล้วนั่นแหละคล้ายๆกันเพราะเรียนยิ่งเรียนไปก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะเช่นมีนอกจากรันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เอาสิ่งเดิมนั่นแหละ ถ้าใครจำของเดิมไม่ได้นะเรียนยิ่งเรียนไปยิ่งเบื่อนะถ้ายิ่งไม่เอาไปเพ่งด้วยแล้วก็ตั้งจิตบางอย่างไว้ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนพอไม่งั้นนะโอ้ถ้าถ้าคนมาเพ่งมาตรึกอย่างนี้บ่อยๆนะโอพะยพระไตรปิฎกไม่มีโอ้ขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั่นแหละแต่ว่าสแสดงว่าคนไม่ค่อยได้เพ่งเรื่องนี้เลยจะหมดไปจากโลกเลยไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งที่แปดเจนพอ ถึงเขาเคยทำบาปแต่ว่ามรรคเจตนาเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เขาปฏิสนธิในอบายได้เพราะฉะนั้นอบายจึงไม่ไม่ไปถึงเคยมีบาปในอดีต น, นะยกตัวอย่างบางคนเนี่ยอดีตเนียเคยทำความชั่วไว้มากมายตอนหลังก็ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระโสดาบัน บาปนั้นนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถให้ผลนําเกิดได้ถ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะบาปเหล่านั้นอาจจะตามมาให้ผลได้แต่ว่าให้ผลในลักษณะเป็นอุปปีกรกกรรมอย่างเงี้ยหรืออุปคาตกรรมให้อายุสั้นมาเบียดเบียนบ้างแต่ว่าไม่ให้ผลนําเกิดแต่ถ้าเขาเป็นเทวดาแล้วบาปที่ทําก็ตามไม่ทันแล้วก็เรียกว่าผลบางคนอาจจะไปมีศัตรูอยู่บ้างนะแต่ถ้าเข้าไปในหมู่ญาติเลยนะศัตรูเข้าไม่ถึงแต่ห้ามออกนะ ห้าออกจากมูญาตินะถ้าออกเมื่อไหร่นี่เละแน่เนี่ยนะของเราเนี่ยนะบุญเนี่ยนะเหมือนกับญาติบาปเหมือนกับศัตรูถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองไปอยู่กับศัตรูมากๆก็เตรียมหาพัทเตอร์ไว้แล้วก็นะแต่ถ้าหากว่าอยู่กับมูญาติมากๆก็สบายแต่ถ้าศัตรูมีกําลังจริงๆเนี่ยญาติรักษาไม่อยู่หรอกนะบาปมันล่วงไปจนหน้นี่ยนะก็แล้วแต่ว่าศัตรูที่เรา ทำไว้เนี่ยมีโทษหนักหนาตาหัดขนาดไหนนะเนี่นนทอาอ้าวก็คิดดูนะอภิปรายอยู่ดีๆเขายังสองยิงเอาคนเดียวอะเงงจทาถ้าบุญแรงนะก็จะไปดึงเอามาอีกเหมือนกันไปฉุดเอามาเลยนะไปเกิดในปาดงพงพีที่ไหนเอามาเลี้ยงอย่างดีเลยเช่นะบาปบางอย่างทำให้ไปเกิดเป็นช้างอะ่ะ บุญนี่ไปล่วงเอามาเป็นช้างของพระราชาเลี้ยงบำรุงอย่างดีกางม่งให้ทานอาหารอย่างดีวิเศษละเอียดละ อ, ออหมดปลาลึกขนาดไหนก็ไปล่วงเอามาเนะจดดเ น, นคือไอ้เอางี้นะกรรมเนี่ยให้ผลเป็นอะไรกรรมจะให้ผลเป็นวิบากและกรร ม, มชรูปเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นทุกขากายวิญญาณที่เกิดขึ้นในกายนี่เป็นผลของกรรม แต่ว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ยทำไมจึงมาให้ผลในช่วงนั้นพอดีเนี่ยนะเพราะเจตนาในอดีตอะ่ะมันให้ผลมาคิดดูนะว่าเราไม่ต้องขนาดนั้นบางคนเนี่ยนะกำลังทํากุศลบางคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลแทรกในนั้นทันทีเลยอะ่ะอย่างชนิดที่คนอื่นคาดไม่ถึงก็มีงั้นถ้าเราศึกษาในชีวิตของคนที่กําลังทํากุศลเนี่ยบางคนเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปสลับกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดนี่วิจิตพิสดารที่สุดถามว่ากรรมอยู่ที่ไหน อยู่ที่เจตนาของเราถามว่าบาปที่มันมาให้ผลเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนนะไม่ใช่ใครนะไอ้เจตนานั่นแหละมันแปลมาเป็นพิษให้อะเนี่ยนะมันบาปที่เราทํามันก็เหมือนสะสมพิษเอาไวอ้อ่ะพอมาได้เวลาปั๊บอันนั้นกำเริบขึ้นเลยมันได้ปัจจัยมันก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นเอางี้นะร่างกายของเราเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นพิษทั้งตัวเลยตั้งแต่หวัวจรดเท้าใครไม่เคยเป็นลมพิษก็แล้วไปพอมาเนี่ยโอ้ยกลมูตัวย่อยเลย ถ้าฝนจะตกเนี่ยนะขึ้นลน ะ, <Yeah. S 1> ะขึ้นคันลนะต้องหาอะไรมาทา oh. คิดดูนะเวลาอื่นไม่เป็นนะร้อนขนาดไหนก็ไม่เป็น mm hmm. แต่ถ้าอีกวันหรือสองวันฝนจะตกเนี่ยเอาละ mm hmm. นอนเลยาหาอะไรมาทาไว้รูปรู ป, รปแปะแปะไว้นะยาหมองก็ได้มาทาไว้ไม่ ง, งนั้นคืนนั้นนอนไม่ให้เราเหรอก mm hmm. แต่บางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ mm hmm. สมมุติว่าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้ได้ mm hmm. คือเราก็คิดดูนะมันเป็นนิมิตหมายแห่งกรรมเหมือนกัน ก็สังเกตดูนะเออถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าฝนจะตกนะเราจะไปทําบาปอะไรเนี่ยเรารู้เลยเพราะสมัยนั้นเนี่ยเราสมงสัยเออถ้าฝนตกนะเราจะไปยิงกบอย่างเงี้ยถ้าฝนจะตกนะเราจะไปหาปลาในช่วงนั้นอะเราจะคิดจิตที่เป็นบาปก่อนที่ฝนจะตกปุป๊บปุ๊ีบางทีอะไรมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นน่ะมันทําเหตุไว้เพราะจะเข้าไปอยู่ในอบรรยากาศสภาพแบบนั้นก็จะให้ผลแบบนั้นนั่นดีอะไรมันเป็นนิมิตแห่งกรรมเหมือนกันนะ ใช่แต่ท่านนี้แล้วคนอื่นทําไมเขาไม่มีผลนะมีผลอยู่เราคนเดียวใ ช, ๆๆใช่เพราะว่าเพราะว่าภูตูรูปของเรา น, ะ น, นี่ยเจนนะเจนนะเพราะว่าภูตูรูปของเราเนี่ยส่วนหนึ่งกรรมมัสมุทฐานใช่ไหมไอ้ที่กรรมมัสมุทฐานอ่ะที่มันมีปัญหาเห็นไหมอย่างเช่นอาหารสมุทฐานก็เหมือนกันอาหารที่ทานเข้าไปอ่ะแต่คนอื่นเขาทานนะเขาอริดอร่อยมีความสุขสดชื่นกันเราทานแล้วมานั่งทุกข์อยู่คนเดียวไงเนไหมเพราะ มันไปเกี่ยวข้องกับกรรมด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ากรรมจะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยเงื่อนไขยอย่างด้านอื่นๆ อ, อ, อีกกันนะไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเดียวแต่ถ้าไม่อยากให้มันคันทําไงก็หายากแก้แพ้มาฉันไว้ตลอดไม่คันหรอกประโยค่เท่าไหร่เอาสรุปสตัตตรรฐานสูตรให้อีกหน่อยหนึ่งนะว่าถ้ารู้ฐานเจ็ดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้แพ่งพินิษโดยวิธีอีกสาประการใช่ไหมอีกสาวิธี เป็นอย่างไรพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมแพ่งพินิษโดยความเป็นธาตุประการหนึ่งนะคือสงเคราะห์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างลงธาตุใส่ใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยความเป็นธาตุเห็นไหโดยความเป็นอายตนะว่าแต่และอย่างให้อายตนะอะไรเกิดขึ้นบ้างและโดยความเป็นปฏิจจสมุป บ, บาทเอาสิ่งเหล่านี้มาหมุนโดยความเป็นธาตุอายตนะและปฏิจจสรุปแล้วก็คือวิปัสสนาภูมิมีขันธาตุอายตนะสัจจ์อินทรีย์ปฏิจจใช่ไหม แต่นี้สั์จะกับอินทรียอไว้ก่อนก็คือเอาขันทา่าอายตนะปฏิจจะมาหมุนคละกันเองดูที่จะเป็นยังไงอันนี้เป็นงานของเราว่าเป็นพระอรหันต์ท่านเอาเรื่องนี้มาเพ่งซะส่วนใหญ่เขาบ่างั้นบางท่านอาจจะ อ, อาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพสมมุติว่าในข้อนหนึ่งนี้นะครับที่ว่ามหาพุทธรูปเนีนะ่เราเอารูปที่อาศัยมหาพุทธรูปอันหนึ่งเช่น เอาสีมาเอาเอาเอาสีมามาวิจัยนะครับมาทำเป็นยาเจนพานแล้วก็จะส่งคลอดเข้าไปในหนึ่งในสามอันนี้โดยความเป็นอายตนะก็บรรยความว่าให้พิจารณาสีนั้นเป็นอายตนะภายนอกคือเป็นอายตนะภายนอกคือรูปปลายอตนะย่อมเกี่ยวกับรูปที่อยู่ภายในเจนพาคําว่าสีเนี่ยนะสีที่เป็นรูปายอาตนะก็อาศัยจักขายตนะเพราะว่ารูปประคันเนี่ยนะบางอย่างเป็น จักขายตนะรูปประคันบางอย่างเป็นรูปายตนะทีนี้เมื่อตากับสีประชุมกันจะเกิดอายตนะอะไราานะเกิดมานาอายตนะกับธรรม า, ายตนะแล้วคําว่าจักขายตนะหรือจกักขูปภาษาธาเนี่ยก่อให้เกิดวิถีจิตมเมื่อตามองเห็นก่อให้เกิดวิถีจิตได้เท่าไหร่<ม>ตั้งแต่จกักขูวิญ ญ, ญาณจเกิดได้สองดวงอย่างใดอย่างหนึ่งสัมปติชนะ สดวงอย่างไรอย่างหนึ่งสันติรณะสามดวงอย่างใดอย่างหนึ่งชาวณนะอกุศล12มหากุศล8สามารถต่อนั้นได้คิดดูว่ามันต่อให้เกิดจิตอีกเท่าไหร่ถ้าหูกับเสียงนี่นะมันต่อให้เกิดวิถีจิตอีกเท่าไหร่จมูกกับกลิ่นก่อให้เกิดวิถีจิตเท่าไหร่ลิ้นกับรสก่อให้เกิดวิถีจิตอะไรกายกับโพธาภาตั้งกับหัวโจรสเท้านี่ให้วิถีจิตไม่เท่ากันนะ ถ้าปวดหัวให้โทสะถ้าปวดส่วนอื่นๆจะให้โลภะหรืออะไรก็แตกต่างกันไปตามนั้นๆไปแล้วมานายตนะไอความคิดเนี่ยนะวิญญาณอาคารก่อให้เกิดความคิดใดๆต่อไปอีกบ้าง น, นะแล้วแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยถามว่าจริงไหมจริงว่างไหมคำว่าว่างเนี่ยธาตุนี้แปลว่าว่างเปล่าคือไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่นี้เป็นความจริงอย่างหนึ่งอะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นผลแล้วบางอย่างเป็นเหตุเรียกว่าปฏิจจสมุป บ, บาท บางอย่างเป็นผลเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมต่างเป็นเหตุเป็นผลสังสารทุกสังสารวัฏก็เป็นไปในลักษณะนี้ที่สุดแห่งสิ่งนี้อยู่ที่ไหนก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนั่นแหละจึงจะถึกหรือว่านิสรณะนั่นแหละอันะก็จะหมุนกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่หมุนได้รอบแล้วไม่มีอารมณ์ใดที่ไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นได้ทุกอารมณ์นี้ก่อให้เกิดวัฏฏได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ก่อให้เกิดความท้นทุกข์ได้ ถ้าสงเครศาะห์สัจจะลงได้ในสิ่งนั้นยังสิ่งนั้นลงสัจจะได้พ้นจากทุกได้หมดเลยหมายความว่าเราสงเคราะห์ทั้งเจข้อเลยใช่ไหมครับเข้าลงไปในสอย่างนี้เช่นสมมุติว่าพอพูดถึงว่าความเกิดขึ้นของสีนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารก็เอาอาหารนั่นแหละสงเคราะห์เข้าไปในธาดไหนอายตนะก็เอาอย่างนี้แทนเลถ้าเรามาค่อยคหมุนไปว่าอ า, อายตนะมีสิบสอง ธาตุมี18ปฏิจจะองค์สิบสองโดยธาตุสิบนี่เอาจากขายาตนามาอันหนึ่งก่อนอ น, นะเราก็เอามาความเกิดขึ้นแห่งตาเห็นไหมก็เอาตาเนี่ยมาเปลี่ยนหมุนไปตามนี้ไปเอาธาตุแต่และอย่างนี่มาหมุนแบบนี้ก่อนเช่นจากครูภาษาธานี้คือจากครูภาษาธาความเกิดขึ้นแห่งจากครูภาษาธาความดับแห่งจากครูภาษาธา ปฏิปทาให้ถึงความดับจากขู่ภาษาท่าสุกสมมนิที่อาศัยจากขู่ภาษาทะาจากขู่ภาษาทาไม่เที่ยงการละฉันทราคะในจากขู่ภาษาทาเนี่ยนะแล้วก็ในความที่ตาหรือจากขู่ภาษาทาเนี่ยนะเป็นจากขายตนะเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่วิถีจิตใดบ้างเนี่ยนะก็ไปสงเคราะห์ลงไปก็จะมองเห็นความเป็นอายตนะเลยเนี่ยนะ เป็นจักขายตนะแต่จักขายตนะเพราะเขาเนี่ยรับรูปายตนะเขาเป็นทางแห่งการรับรู้รูปายตนะแต่ว่าผลของเขาคือมานายตนะกับธรรมายตนะหมายถึงกระแสแห่งความคิดที่สืบเนื่องมาอาศัยตาเป็นปัจจัยหรือถ้าเป็นท่าเขาเป็นจักขูท่าอ่ะ น, นะก็เปลี่ยนมาเป็นจักขูท่าแทนส่วนอาหารก็เปลี่ยนไปเป็นรูปธาตุถ้าถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาท ตรงนี้เป็นสลายตนะสลายตนะหรือนามรูปหรือรูปรูปในปฏิจจสมุปบาทก็มาหมุนลงแบบนี้อีกแล้วส่วนทางทางด้านอาหารทางด้านอะไรพวกนี้เราก็สุเคราะห์ได้ไหมครับต้องต้องสุเคราะห์ไหมอาหารเฉพาะองค์สุนเคราะห์แต่ตัวหลักเพราะอันนี้เป็นอาหารตัวนี้เป็นแทนคําว่าปัจจัยอาหารเป็นชื่อของปัจจัยเข้าใจาแล้วครับหมายความว่า ก็สมข้อทั้งตั ว, ต ว, ตวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกตัวสี่ <4 S 2> ขันเกือสองข้อขันเอางี้นะสองข้อขันทั้งห้าเราเนี่ย<อ>ลงอันนี้ไปลงไในอันนั้น เ, เข้าใจแล้วครับแล้วก็เอาแต่ละอย่างมาหมุนลงไปในนี้อีกเห็นไหมแจ้งพระเจ้าค่า